วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดเงหาคมพุทธศักราชสอง5้าเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตใจฝ่ายธรรมได้มาวัดเพื่อมาหาธรรม ที่จะเป็นเครื่องกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปธรรมะนี้เป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ให้หมดสิ้นไปได้ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถทำหน้าที่นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจะมีมากมีน้อยก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความวิตกกังวลห่วงใย ความทุกข์ที่เกิดจากความเครียดเกิดจากความกลัว <c oughs> เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆได้คือความทุกข์ทางใจไม่ใช่ความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางกายนี้ก็พอที่จะ กำจัดได้ในระดับหนึ่งด้วยข้าวของเงินทองต่างๆเวลาร่างกายอดอยาขาดแปลนถ้ามีเงินทองไปซื้อสิ่งที่ขาดแปลนมาใช้ความทุกข์ทางกายก็สามารถกำจัดได้แต่ก็เป็นการกำจัดแบบชั่วคราว พอเดี๋ยวก็เกิดความขาดแคลนขึ้นมาใหม่ก็ต้องมีการกำจัดกันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดไปจนถึงวันตายความทุกข์ทางกายก็สามารถใช้เงินทองมาช่วยบรรเทาได้แต่ความทุกข์ทางใจนี้เงินทองนี้ ช่วยไม่ได้เวลาเกิดความทุกข์ทางใจมหาเศรษฐีก็ยังมีความทุกข์ได้มีความเครียดได้มีความวิตกกังวลต่างๆมีความเศร้าโศกเสียใจเงินทองไม่สามารถที่จะป้องกันหรือจะกําจัดความทุกข์ทางใจได้มีแต่ธรรมะ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ทางใจต่างๆไปได้หมดสิ้นอันนี้คือความสำคัญของธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครจะรู้ได้ด้วยตนเอง จำเป็นจะต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาสั่งมาสอนมาบอกวิธีแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ทางใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อผู้ที่ปรารถนาความปลดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ จ่เป็นจะต้องมีผู้สั่งผู้สอนนั่นเองผู้สั่งผู้สอนที่รู้จริงๆก็มีพระรัตนตรัยนี้เองคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นี้มีได้มีการบันทึกเก็บเอาไว้ในพระไตรปิฎกและพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้า ผู้ที่ได้ปฏิบัติจนได้รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้มีสามแหล่งนี้เท่านั้นที่จะเป็นแหล่งที่เราจะสามารถเรียนรู้วิธีการกำจัดความทุกข์ทางใจต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจของเราได้พระพุทธเจ้านี้ก็ท่านได้จากเราไปแล้วสองพันกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์สอนให้มีผู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นจำนวนมากและคาสั่งคาสอนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมทุกวันเป็นพุทธกิจเป็นหน้าที่ประจำของพระพุทธเจ้าเช่นตอนบ่ายพระพุทธเจ้าจ ะ, สะแสดงธรรมสั่งสอนศรัทธาญาติโยม ตอนค่ำก็จะสั่งสอนภิกษุภิกษุณีนักบวชทั้งหลายตอนดึกก็จะสั่งสอนเทวดาอันนี้เป็นพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญอยู่ทุกวันสอนวิธีดับทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนรู้ว่าจะสามารถ น้อนำเอาไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรคำสอนที่พระ อ, องค์ทรงสั่งสอนนี้ก็จะมีพระภิกษุจดจำกันแล้วก็เอามา <c oughs> สืบทอดกันพระที่บวชกันมาก็จะมาท่องจำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นการเรียนรู้ไปในตัว การท่องจำคำสั่งคำสอนก็เป็นการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อจำได้แล้วก็จะสามารถนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้โดยที่ไม่ต้องไปพบกับพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าเราได้ ยินได้ฟังหรือได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงอย่างสมัยนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่กับพวกเราไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเราไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดเพราะว่าคำสั่งคำสอนคือธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรง สอนไว้ดีแล้วนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาจารย์แทนตัวพระพุทธเจ้าต่อไปถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราแต่เราอยากจะได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถไปศึกษาได้จากในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนี้จะมีบันทึกคําสั่งคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงสั่งสอนไว้ในแต่ละวันตามสถานที่ต่างๆตามเหตุการ์ต่างๆแล้วถ้าเรามาศึกษาก็เท่ากับเราได้ศึกษาโดยตรงจากพระพุทธเจ้าเลยถึงแม้พระพุทธเจ้าจะจากเราไปแต่ตัวแทนของพระพุทธเจ้ายังอยู่กับพวกเราต่อไปพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเรานี้ ถ้ามีตัวแทนนี่ก็เหมือนกับเราไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าเราเหมือนเราได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าดังนั้นถึงแม้เราจะไม่ได้เรียนรู้โดยตรงจากพระพุทธเจ้าแล้วแต่เราก็สามารถเรียนรู้โดยตรงจากพระธรรมคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้ น, นี่คือ พระธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในไตรสาระคือที่พึ่งสามได้แก่พุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ต้องอาศัยพระพระธรรมคําสอนที่มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเราสามารถเชื่อได้ว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้อง เพราะมีการรับรองมีการกันกรองโดยพระอรหันต์ในยุคต่างๆพระอรหันต์ก็คือผู้ที่ได้บรรลุถึงการดับทุกข์อย่างสมบูรณ์รู้จักวิธีการดับทุกข์ขั้นต่างๆอย่างสมบูรณ์ก็สามารถที่จะมาตรวจสอบดูว่า ควาจำของผู้ที่ไปจุดจำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เลื่อนลอยไปจากความจริงหรือไม่หรือตรงกับความจริงพระไตรปิฎกจึงได้รับการกันกรองได้รับการรับรองมาอย่างสม่ำเสมอโดยพระอาหารหันตสามกุทั้งหลายาเราจึงควรจะมีความมั่นใจได้ว่าพระธรรม ที่มีบรรจุไว้ในพระไตยปิฎกนี้เป็นของแท้ของจริงสามารถที่จะนำเอามาใช้ในการปฏิบัติเพื่อกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ น, นี่คือแหล่งที่สองที่เราสามารถเรียนรู้วิธีการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ แหล่งที่สามที่เราสามารถไปศึกษาเพื่อที่จะได้รู้จากวิธีดับความทุกข์ต่างๆก็คือจากพระอริยสงฆ์สาวกต่างๆนั่นเองพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือระดับสโสดาบันระดับสกิทาคามีระดับอนาคามีระดับอรหันต์เหตุที่ พระ อ, อริยบุคคลมีสี่ระดับก็เพราะว่าความสามารถของการดับความทุกข์ของแต่ละระดับนี้ไม่เท่ากันนั่นเองระดับที่หนึ่งคือเป็นระดับโสดาบันก็จะระดับดับความทุกข์ได้หนึ่งในสี่ยังไม่สามารถดับความทุกข์ทั้งทั้งหมดที่มีในใจได้แต่รู้วิธีดับ แลวสามารถที่จะดับต่อไปได้เมื่อปฏิบัติตามเมือ่อเมื่อปฏิบัติ ต, ต่อไปเรื่อยๆจากขั้นที่หนึ่งก็จะขึ้นสู่ขั้นที่สองจากขั้นที่สองก็จะขึ้นสู่ขั้นที่สามและขั้นที่สี่ตามลำดับต่อไปถ้าใครได้เป็นพระอาริยบุคคลขั้นที่หนึ่งแล้วไม่ช้า ก, ก็จะได้บรรลุถึงขั้นที่สี่ได้ เป็นเหมือนกับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีแล้วก็จะสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับปริญญาโทได้และปริญญาเอกได้ตามลำดับถ้าไม่หยุดการปฏิบัติถ้าไม่หยุดการศึกษาฉันใดผ้าระยะบุคคลทั้งสี่ระดับนี้ก็จะสามารถสอนวิธีการดับทุกข์ในระดับต่างๆได้ ถ้าเรามีโอกาสได้ศึกษาจากพระโสดาบันท่านก็จะสอนให้เราดับทุกได้ในระดับของพระโสดาบันถ้าอยากจะไปสูงกว่า น, นี้ก็มีสองวิธีคือค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองต่อไปเพราะถ้าเราได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วเราจะมีเครื่องมือคือมีแสงสว่างแห่งธรรมคือเราจะรู้ว่า เหตุของความทุกข์นั้นเกิดจากอะไรและการจะดับความทุกข์นั้นดับด้วยอะไรเราก็จะสามารถใช้ความรู้อันนี้ไปดับความทุกข์ที่ยังมีเหลืออยู่ในใจต่อไปได้ถ้าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่จะสอนเราแต่ถ้าเราได้พบกับครูอาจารย์ที่มีความรู้ที่สูงกว่าระดับที่เรารู้อยู่ การเรียนรู้จากผู้ที่รู้แล้วนี้ก็จะรวดเร็วกว่าจะง่ายได้กว่าจะเป็นผู้ชี้บอก ว, วิธีชี้เป้าให้ตรงไปถ้าเรายังไม่มีผู้รู้เรายังอาจจะไม่รู้เป้าขั้นต่อไปว่าเราจะต้องไปกาจัดความทุกข์อะไรที่เกิดจากอะไรแต่ถ้ามีผู้ที่ผ่านมาแล้วท่านก็จะสามารถสอนให้เรา ไปที่เป้าหมายไปตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ในใจของเราได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่าการที่เราจะต้องมาค้นคว้าหาหาดูด้วยตัวของเราเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสองวิธีก็จะพาให้เราไปสู่การดับความทุกข์ได้เหมือนกันต่างกันที่ช้าหรือเร็ว ถ้ามีคนสอนคนบอกไว้ก็จะเร็วจะง่ายถ้าไม่มีคนสอนคนบอกก็ต้องค้นคว้าทดลองทดลองทดสอบลองผิดลองถูกไปแล้วไม่ช้าก็เร็วก็สามารถที่จะดับความทุกข์ในระดับขั้นต่อไปได้ตามลำดับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับโอกาสของเราว่า เรามีโอกาสที่จะได้พบกับพระอริยบุคคลขั้นไหนบ้างถ้าได้พบกับขั้นที่สูงสุดเลยก็สบายเรียนจบหลักสูตรได้เลยจากท่านองค์งนี้องค์เดียวถ้าได้พบกับท่านที่เพิ่งจบขั้นที่หนึ่งก็จะเรียนรู้ได้จบหลักสูตรขั้นที่หนึ่งได้แต่ขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่นี้ท่านยัง ไม่สามารถที่จะสอนเราได้เราก็ต้องสอนตัวเราเองหรือไปหาผู้ที่รู้ผู้ที่ได้บรรลุถึงขั้นที่สูงกว่าได้แต่ก็ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนถ้าได้เป็นพระอริยรบุคคลแล้วนี่จะรู้วิธีรู้รูหลักของการกำจัดความทุกข์เพราะรู้อริยรสัจสี รู้ว่าทุกข์ในใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆและการจะกําจัดความทุกข์ก็ต้องกําจัดละตัณหาความอยากการที่จะละตัณหาความอยากก็ต้องใช้สติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือที่มีอยู่แล้วก็เพียงแต่เอามาใช้ให้ตรงกับเป้าหมายตรงกับ ตัวที่สร้างความทุกข์เพราะความอยากนี้มีต่างกันอย่างในสิ่งต่างๆพระโสดาบันก็อยากในสิ่งต่างๆ ต, ต, ต่างกับพระสกิฎาคาพระอนาคาพระอาหารหันต์ก็มีความอยากที่ต่างกันต้องดูว่าขั้นแต่ละขั้นนี้มีความอยากในเรื่องอะไรแล้วต้องใช้ปัญญาแบบไหนมาแก้มาละ มาทำให้ความอยากต่างๆเหล่านั้นหมดไปได้ถ้าละความอยากได้หยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก <c oughs> ก็จะหมดไปจากใจได้นี่ก็คือแหล่งที่สามที่เราสามารถที่จะเรียนรู้วิธีดับความทุกข์ต่างๆได้เราจึงจะเห็นว่ามี ชาวพุทธเหล่านี้มักจะมุ่งไปหาครูบาอาจารย์ตามวัดวาต่างๆแล้วแต่ว่าเรามีความเชื่อว่าท่านสามารถที่จะสอนให้เราดับความทุกข์ต่างๆได้หรือไม่อย่างไรส่วนใหญ่นี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการดับความทุกข์นี้มักจะ ไปหาพระที่อยู่ตามป่าตามเขากันมากมากกว่าการไปหาพระที่อยู่ตามบ้านตามเมืองต่างๆเพราะการสั่งสอนวิธีก็อาจจะมีต่างกันไปบางท่านก็อาจจะสอนไปในทางที่ไม่ได้ดับความทุกข์ก็มีทางบางท่านก็สอนวิธี พาให้เราไปสู่การสิ้นการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็มีการที่เราจะรู้ว่าพระอาจารย์แต่ละรูปนี้สอนไปทิศทางไหนเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นมาตรฐานวัดคำสั่งคำสอนของพระอาจารย์ต่างๆ ถ้าเราศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราดับทุกตามแนวของพระอริยสัจสี่คือเราต้องรู้จักอริยสัจสี่ว่าเป็นอะไรอริยสัจสี่ก็คือความจริงสี่ประการด้วยกันที่เกี่ยวกับความทุกข์และการดับทุกข์นี่ ความจริงข้อที่หนึ่งก็คือความทุกข์ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี่มันเกิดจากอะไรมันมีที่ที่เกิดเกิดตรงไหนเกิดเวลาใดความทุกข์ทางใจเราเกิดเวลาที่เราไปเจอความแก่ทางร่างกายเวลาร่างกายเราแก่เราก็จะทุกข์กันเพราะเราไม่ชอบความแก่พราะเวลาแก่ เราจะไม่สามารถทำอะไรตามตามความอยากของเราได้เช่นเดียวกับเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่สามารถทำอะไรตามความอยากของเราได้เวลาเราตายเราจะตายก็เช่นเดียวกันหรือเวลาเราพบกับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบมันก็ทำให้เราไม่สบายใจได้หรือเวลาที่เรา เกิดการสูญเสียเกิดการพัดภาคจากสิ่งที่เราลากเราชอบมันก็ทําให้เราเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจได้นี่คือความทุกข์ที่เกิดที่ทําให้ยมีเวลาเราเจอเหตุการณ์เหล่านี้มันจะทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาแต่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวเหตุต้นเหตุที่แท้จริง ้นเหตุที่ทาให้เราเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจนี้ไม่ใช่ความแก่ไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ความตายไม่ใช่การประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบหรือพัดพากจากสิ่งที่เราลักเราชอบเป็นเหตุการณ์ที่ไปกระตุ้นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจอีกทีนึงตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆ เช่นเวลาเราเจอความแก่แล้วเราทุกข์ใจกันความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากไม่แก่ต่างหากถ้าเราไม่มีความอยากไม่แก่เราจะไม่ทุกข์ใจเราจะเฉยเฉยแก่ก็แก่ไปอยู่กับความแก่ไปอันนี้เราก็จะไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าเราไม่ชอบความแก่พอแก่แล้วเรา ไม่สามารถที่จะทำอะไรตามความอยากของเราได้เราอยากไม่แก่เราก็จะทุกข์ใจขึ้นมานี่คืออริยสัจความทุกข์นั้นความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากในใจของเราเองไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปประสบเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปประสบเป็นเพียงแต่ตัวที่ไปกระตุ้น ตัวเหตุที่ทำให้เราทุกข์กันก็คือความอยากนี่เพราะเราไปเจอความแก่เราไม่อยากแก่เราก็จะทุกข์ใจกันเราไปเจอการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเราก็จะเกิดความ <c oughs> ทุกข์ใจเพราะเราไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองเวลาเราไปเจอความตายเราก็ทุกข์ใจกันเพราะเราไม่อยากจะ ตายกันนั่นเองแต่ถ้าเราสามารถที่จะระงับความอยากไม่แก่ได้ความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ความอยากไม่ตายได้<ม>ด้วยการทำใจให้นิ่งเฉย<ม>วิธีหยุดความอยากนี้ก็คือทำใจให้เรานิ่งเฉย<ม>ให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาคือให้อยู่เฉ ย, เฉย ไม่ไปรักไปชังความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราสามารถทำใจให้เราอยู่นิ่งเฉยๆได้ด้วยการทำใจให้นิ่งด้วยการฝึกสติอยู่เรื่อยๆ <S <S 1> <S 1> การฝึกสตินี้จะทำให้ใจเรานิ่งได้ฝึกสตินั่งสมาธิสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผล การที่ใจเราจะเป็นสมาธิจะนิ่งสงบจะนิ่งเฉยเป็นอุเบกขาได้ยังเป็นจะต้องมีสติเป็นตัวคอยหยุดความคิดต่างๆของใจถ้าใจยังคิดอยู่ใจจะนิ่งสงบเป็นสมาธิไม่ได้แล้วใจจะนิ่งเฉยๆจะสงบได้ต้องมีสติคอยหยุดความคิดถ้าเรามีสติแล้วเราหยุดความคิด ได้ทำใจให้นิ่งเป็นสมาธิเกิดเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ mm hmm. เวลาเราเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบ mm hmm. เช่นความแก่ความเจ็บความตายเราก็สามารถทำใจให้นิ่งเฉยๆได้ mm hmm. ถ้าใจเรานิ่งเฉยๆได้ใจเราจะไม่ทุกข์ mm hmm. กับความแก่ความเจ็บความตาย แลเหตุที่เราทุกข์กันที่เราไม่สบายจใจไม่สบายใจกันเวลาที่เราเจอความแก่ความเจ็บความตายกันก็เพราะว่าเราทําใจให้นิ่งเฉยไม่ได้นั่นเองนี่คืออริยสัจสี่มีสี่ข้อความทุกข์เกวดจากความอยากในความไม่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดภาคจากของที่เราลัก อยากไม่เจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นต้นมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าเรามีการฝึกสติมีการนั่งสมาธิแล้วก็มีการเจริญปัญญาสอนใจให้เห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติของร่างกายที่ไม่มีใครไป ห้ามได้ไปหยุดเป็นได้อันนี้เห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติปรากฏการทางธรรมชาติที่เราไปห้ามไม่ได้ไปกำจัดไม่ได้มันต้องเกิดถ้าเรายอมรับปรากฏการทางธรรมชาติไม่ต่อสู้ไม่คิดที่จะกำจัดมัน เพราะเรากำจัดไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายนี้เรากำจัดไม่ได้ห้ามไม่ได้เราก็หยุดต่อต้านหยุดต่อต้านคือหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายด้วยปัญญาและด้วยสติด้วยสมาธิถ้าเรามีสามอย่างนี้มีสติมีสมาธิแล้วมีปัญญาเราก็จะ ละความอยากได้ทใใํ า, า, าท ใ, จ ใ, ทใจให้เฉยๆได้หยุดความอยากได้ด้วยการทําใจให้เฉยๆพอทําใจให้เฉยๆได้หยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปความทุกข์การการหายไปของความทุกข์นี้คืออริยสัจข้อที่สามที่เรียกว่า น, นิโรดนิโรกก็คือการหายทุกข์นี่ และการหายทุกนี้ก็เกิดจากอริยาาสัจสี่ข้อที่สี่คือการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาเพื่อหยุดความอยากด้วยการทําใจให้เฉยๆทําใจให้เฉยๆเวลาแก่ก็เฉยๆอย่าไปลําเกียจนั้นอย่าไปอยากให้มันไม่แก่เวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทําใจให้เฉยๆ อย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บใครได้ป่วยอย่าไปอยากให้มันหายไปมันไม่หายเวลาเจอความตายก็เช่นเดียวกันก็ต้องตาใจเฉยๆมันจะตายก็ให้มันตายไปถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าเรากับร่างกายนี้ไม่ได้เป็นอันเดียวกันร่างกายเป็นเหมือนตุ๊กตาที่เราได้มาจากพ่อแม่เราร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือ พาเราไปทำอะไรต่างๆตามความอยากของเราเท่านั้นเองแต่เราผู้ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรายังอยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่มีความหวงความอยากให้ร่างกายไม่ตายเมื่อมันถึงเวลาที่มันจะต้องตายก็ห้ามมันไม่ได้ ก็ปล่อยให้มันตายไปเท่านั้นเองทำใจให้เป็นอุเบกขาด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาสอนให้เราอย่าไปต้านความจริงปล่อยให้มันไปมันไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี่มันเป็นเรื่องของร่างกายเราไม่สามารถที่จะไปห้ามมันได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้คือใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับมันได้ ด้วยการทำใจให้นิ่งให้เฉยด้วยสติด้วยสมาธิและด้วยปัญญานี่สติสมาธิปัญญานี้ก็คือมรรคที่เป็นอริยสัจข้อที่สี่ความจริงข้อที่สี่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรลูได้ทรงค้นพบวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ ต้องมีสติมีสมาธิและมีปัญญานี้ mm hmm. นั่นเองถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราจะทําใจให้เฉยๆได้ mm hmm. เมื่อเราทําใจให้เฉยๆความอยากต่างๆก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ mm hmm. ความอยากมันจะเกิดขึ้นตอนที่ใจเราไม่เฉย mm hmm. พอใจเราไม่เฉยมันก็จะรักจะชังจะกลัวจะหลง จะอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือจะอยากไม่ได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นขึ้นมามันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ใจเราวุ่นวายได้นี่คือเครื่องมือที่จะใช้ในการดับทุกข์ในแต่ละขั้นแต่ละระดับความทุกข์มันมีหลายเหตุมันมีหลายเป้าหมายด้วยกันร่างกายที่เกิดแก่เจ็บตายนี้ก็เป็นเป้าหมายอันหนึ่ง ร่างกายที่สวยงามที่ทำให้เราเกิดความรักความชอบความอยาก ม, มาอยู่ร่วมกับร่างกายที่เราเห็นว่าสวยว่า ง, งามนี่มันก็เป็นตัวปัญหาอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เราทุกข์เพราะจะทำให้เราต้องมีร่างกายของคนอื่นมาอยู่เป็นเพื่อนเราอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่มีเขาเราก็จะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวขึ้นมา รู้สึกเศร้าเราเลยต้องหาคู่กันอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นการหาความทุกข์เพราะว่าร่างกายมมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็จะอยู่กับเราได้นานหรือไม่นานก็ไม่รู้แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกันไปถ้าไม่อยากที่จะต้องมาทุกข์กับร่างกายของคนอื่น เราต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายของคนอื่นเพราะสิ่งที่ทำให้เราอยากได้ร่างกายของคนอื่นเพราะเราเห็นว่าเขาสวยเขา ง, งามเขาหน้ารัก น, นีแต่ถ้าเราไปมองในส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายเช่นมองอวัยวะภายในภายใต้ผิวหนังของร่างกายร่างกายของคนเหล่านี้นอกจากที่ มีข้างนอกอยู่ห้าอาการคือผมขนเล็กฟันหนังแล้วยังมีอีกสามยี่สิบเจ็ดอาการด้วยกันอยู่ภายใต้ผิวหนังซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังที่เรามองไม่เห็นกันเช่นเราไม่เห็นกระดูกทุกคนมีโครงกระดูกกันเวลาเราเห็นภาพของโครงกระดูกนี้เราจะรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาจะรู้สึกรังเกียจขึ้นมาแต่เวลามีหนังหุ้มหอ่อมีเนื้อหนังหุ้มหอ่อเรากลับไปรักไปชอบ โครงกระดูกงั้นโดยไม่รู้สึกตัวเราเราชอบใครเราเราไม่รู้หรอกว่าเรากำลังชอบโครงกระดูกของเขาเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นโครงกระดูกของเขาเท่านั้นเองไม่เห็นกะโหลกศีรษะของเขาไม่เห็นอวัยะวะต่างๆภายในร่างกายของเขาไม่เห็นปอดไม่เห็นตับเห็นไตเห็นหัวใจเห็นลำไส้เราก็ไปรักอาการเหล่านี้โดยไม่รู้สึกตัว เพราะมันถูกปกปิดไ้ว้ผิวหนังและเนื้อที่หุ้มห่อร่างกายนี้นั่นเองแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาอาการ32เราก็จะเห็นอาการต่างๆที่มีซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังที่ซ่อนอยู่ใต้เนื้อแล้วมันพอเราเห็นอาการต่างๆเหล่านี้ความรักใข้ในร่างกายของคนคนนั้นก็จะหายไปทันที เมื่อเราไม่มีความรักใครเราก็ไม่ไม่ยินดีไม่อยากได้ร่างกายของเขามาอยู่เป็นเพื่อนกับเรามาให้ความสุขกับเราเราก็สามารถอยู่ตามลำพังได้โดยไม่รู้สึกเหงาเพราะความเหงาเกิดจากความอยากมีเพื่อนที่น่ารักที่เราน่ารั ก, น, รกน่าชอบนี้อยู่ใกล้เราอยู่กับเรานั่นเองแต่พอเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าร่างกายของเขานี้ ไม่ได้น่ารักอย่างที่เราคิดที่เราเห็นเลยเพราะเราเห็นเพียงแต่ส่วนที่อยู่ภายนอกเท่านั้นเองแต่ส่วนที่อยู่ภายในเรามองไม่เห็นกันนี่คือเรื่องของการพิจารณาอสุภะอันนี้เป็นปัญหาต่อจากปัญหาเรื่องของการแก่การเจ็บการตายพระโสดาบันนี้แก้ปัญหาเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายได้ พอเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวของเราเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เราไปหลงเองไปหลงไปรักว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็เลยไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายค น, นันเองมันก็เลยทำให้เราทุกข์กับร่างกายกันแต่พอเราพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็เป็นเรื่องของร่างกายมันไม่ได้มาทําให้เราแก่เราเจ็บเราตายไปกับมันอันนี้พระโสดาบันรู้เข้าใจละได้แต่ยังไม่ได้มองเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายพระโสดาบัน ย, ยังอยากจะมีครอบครัวอยู่ ยังอยากมีแฟนเพราะยังหลงกับร่างกายว่าเป็นร่างกายที่น่าดูสวยงามเพราะยังไม่ได้ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายด้วยปัญญาถ้าเริ่มศึกษาเริ่มพิจารณาอาการต่างๆของร่างกายก็จะเริ่มเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามที่มีซ่อนอยู่ใต้ภายใต้ผิวหนังนั่นเองพิจารณาบ่อยๆมันก็จะเริ่มเห็นเห็น เห็นชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นเห็นบ่อยขึ้นเห็นบ่อยขึ้นจนต่อไปเวลาเห็นร่างกายทีเดียวก็จะเป็นเหมือนมีตาเอ็กซเรย์จะมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังทันทีใต้ผิวหนังผิวเนื้อก็จะเห็นมีโครงกระดูกมีปอดมีตับมีไตมีอ ว, ยอวัยวะต่างๆมันก็จะทำให้ความรักความชอบในร่างกายของผู้อื่นนั้น หายไปเพราะไม่มีใครชอบโครงกระดูดไม่มีใครชอบชอบปอดชอบตับชอบหัวใจชอบลำไส้แต่เนื่องจากมองไม่เห็นถูกผิวหนังหุ้มห่อไว้ก็เลยทําให้หลงชอบไปทั้งนั้นเองแต่พอพิจารณาด้วยปัญญาแล้วต่อไปก็จะไม่มีความรักความชอบร่างกายของคนอื่นทําให้ไม่ต้องมีคนอื่นมาอยู่เป็นเพื่อนแก้งเหงาอีกต่อไป พอเมื่อเมื่อไม่มีความอยากที่จะมีเพื่อนความเหงามันก็หายไปเองความเหงามันเกิดจากเวลาเราอยู่คนเดียวแล้วคิดถึงคนนั้นคนนี้ที่น่ารักน่าชมก็อยากจะให้อยู่ใกล้ชิด ก, กับเขาอยากจะมีความสุขกับเขานั่นเองแต่พอเห็นว่าเขาไม่สวยไม่งามแล้วความอยากนี้ก็จะหายไปความอยากนี้เราเรียกว่าการมาราคะ ความอยากเศษการกับเขาก็หายไปทําให้เราอยู่คนเดียวตามลําพังได้ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าวเวกความเหงาความว้าวเวก็คือความทุกข์นีงที่พระอนาคามีนี้จะสามารถกําจัดได้อย่างสมบูรณ์ถ้าได้ถึงขั้นพระอนาคามีนี้ก็จะแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายได้หมดสิ้นไป จะไม่มีความมันหากับเรื่องของร่างกายของตนเองหรือร่างกายของคนอื่นร่างกายของตนเองก็เห็นว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นสิ่งที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปห้ามไม่ได้ร่างกายของคนอื่นก็เห็นว่าไม่สวยไม่งามก็ไม่มีความอยากได้เขามาเป็นเพื่อนมาเป็นคู่ของความอยากหมดไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไป อยู่คนเดียวได้อย่างไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเว๋สำหรับผู้ที่เห็นร่างกายเป็นอ ส, สุภะแล้วนี้จะเป็นโสดไปตลอดจะไม่มีคู่ครองเพราะไม่อยากจะอยู่กับโครงกระดูกไม่อยากจะอยู่กับอวัยวะต่างๆนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจริญมรรคคือสติปัญญาและสมาธิต้องมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถเจริ ปัญญาได้เพราะถ้าจิตไม่มีสมาธิจิตจะไม่สามารถเจาะจงพิจารณาเรื่องของอสุภะเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เพราะถ้าจิตที่ไม่สงบนี้ยังถูกกิเลสคอยครอบงำคอยดึงให้ไปคิดทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีสมาธิจิตไม่แน่นี้จิตจะคิดไปทาง ความโลภความรักต่างๆความอยากได้ในสิ่งต่างๆพอจะมองเห็นว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นของน่ารักน่าดูน่าชมเป็นของที่จะให้ความสุขกับเราเป็นของที่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นความจริงเป็นความหลงการเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นนิจจังสุขของอัตตนี้เป็นความหลง แต่ถ้าการเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นความจริงเป็นปัญญาการที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆได้หรือเห็นอสุภะในร่างกายได้นี้จาเป็นที่จะต้องมีสมาธิคือจิตที่นิ่งไม่ไปคิดถึงสิ่งต่างๆที่กิเลสชอบให้ไปไปคิดรือให้ไปคิดถึงลาบยศสารเสริญสุข ว่ามีลาบมียศมีสรรเสริญมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วจะให้ความสุขกับเราแต่พอเราสามารถหยุดความคิดเหล่านี้ได้เราก็สามารถดึงออกมาคิดทางตรงกันข้ามได้เราก็จะคิดว่าความสุขจากรลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันดิ้นไปดิ้นมา มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปหรือว่าร่างกายของเราที่ใช้เป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆมันก็จะค่อยๆหมดเรี่ยวหมดแรงไปตามไวัยไปเรื่อยๆนั่นเองหรืออาจจะเกิดปัญหาทางตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นมาทางสุขภาพตาอาจจะไม่ดีหูอาจจะไม่ดีขึ้นมาก็ได้มันก็จะทำให้การหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้กลายเป็นอุปสรรคขึ้นมา ทำใหไม่สามารถหาความสุขได้ความสุขที่เราคิดว่าเราจะได้จากมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือทางปัญญานี้เราต้องคิดตรงกันข้ามกับทางของกิเลสกิเลสจะบอกว่าราบยุสสรสรนสุขนี้เป็นความสุขแต่ถ้าปัญญาแล้วจะเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีการสิ้นสุดมีการหมดไปได้ แะะเป็นความสุขที่อาจจะไม่สามารถหามันได้ทุกครั้งทุกเวลาที่ต้องการก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้หยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือได้ร่างกายก็พิจารณาเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขได้ อันนี้คือการเดินเจริญปัญญาการพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิธธ่นรสปวดตาพะว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีนสิ่งที่มีเกิดมีดับมีมามีไปได้ตลอดเวลาเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้ละความอยากต่างๆได้ ละความอยากในร่างกายได้ล่วความอยากมีแฟนมีเพื่อนมาเป็นคู่ครองได้มันก็จะทําให้ความทุกข์ต่างๆลดน้อยถอยลงไปตามลําดับผู้ที่ได้ขั้นที่หนึ่งแล้วนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยสอนก็จะรู้เองว่าจะต้องทําอะไรต่อไปเพราอจะไปเจอความทุกข์ที่เกิดจากความเหงาเกิดจากความว้าเหว เวลามีแฟนแล้วแฟนจากไปหรือแฟนไม่อยู่ด้วยกันแล้วเริ่มเห็นความทุกขจากการมีแฟนแล้วก็จะเริ่มคิดว่าจะทำไงดีสู้อยู่แบบไม่มีแฟนไม่ดีกว่าเลยมีแฟนแล้วเวลาเขาไม่อยู่กับเราเช่นเขาอาจจะมีธุระไปอยู่ที่อื่นี้ปล่อยให้เราอยู่คนเดียวหรือเกิดเขาเบื่อเราแล้วเขาไม่ชอบเราแล้วเขาไปหาคนอื่นใหม่เขาทิ้งเราขึ้นมา เราก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราอยู่แบบไม่มีแฟนได้เป็นยังไงดีไหมเรามีความสุขแบบอยู่กับตัวของเราเองคนเดียวอยู่กับความสงบที่เราได้จากสติสมาธิเราก็ไม่ต้องมีแฟนก็ได้แต่ที่จะเลิกได้ก็ต้องเห็นว่าแฟนเหล่านี้ความจริงเขาไม่สวยไม่งามอย่างที่เราคิดหรอก ภายใต้ผิวหนังของเขาเนี่มีอาการอะไรต่างๆที่ไม่น่าดูน่าชมเยอะแยะไปหมดถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่มีความอยากจะมีแฟนเมื่อไม่มีความอยากมีแฟนเวลาอยู่คนเดียวก็จะไม่รู้สึกเหงาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้อริยสัจสีเป็นเครื่องมือที่จะไปกำจัดความทุกข์ต่างๆที่นองเหลืออยู่ในใจ พอเราพ้นขั้นของร่างกายไปแล้วเราก็มามาหามาเจอปัญหาที่ยังมีอยู่ในใจของเราอีกปัญหาในใจของเราก็คือเรายังไปติดกับความสุขที่เราได้จากการนั่งสมาธิเวลาเราไม่ได้เข้าสมาธิหรือเวลาใจเราไม่สงบเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เหมือนกันอาจจะไม่ทุกข์รุนแรงเหมือนกับการที่ไม่มีแฟน แต่มันก็ยังเป็นความทุกข์อยู่เคยสงบแล้วพอไม่สงบมันก็จะรู้สึกไม่สบายใจก็จะทำให้ติดสมาธิได้ถ้าติดสมาธิก็ต้องพิจารณาสมาธิว่าเป็นภัยแล้วเป็นเหมือนร่างกายติดร่างกายก็เป็นทุกข์เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปติดสมาธิก็จะเป็นทุกข์เหมือนกันก็ต้องไม่ติดต้องหัดอยู่แบบไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ อยู่แบบทำใจให้เฉยเฉยด้วยด้วยปัญญาก็พอให้รู้ว่าการมีความอยากในสมาธิก็จะเป็นทุกข์ได้ก็หันอยู่แบบไม่มีความอยากในสมาธิถ้าไม่มีความอยากในสมาธิเวลาจิตไม่ไม่สงบก็จะไม่เดือดร้อนก็จะเฉยเฉยได้อยู่กับความสงบบ้างไม่สงบบ้างตามตามสภาวะของจิตอันนี้ก็เป็นเรื่องของความทุกข์ ก็เป็นแนวเดียวกันที่ต้องใช้อริยสัจสี่ไม่สบายใจเพราะเกิดจากความอยากให้จิตสงบตลอดเวลาด้วยสมาธิแต่จิตสมาธิก็ไม่สามารถทำจิตให้สงบได้ตลอดเวลาเพราะสมาธิก็เป็นของชั่วข่าวเหมือนกันพิจารณาเห็นว่าเป็นไตรลกเหมือนกันก็หยุดการอยากมีสมาธิเป็นเครื่องมือหาความสุขเมื่อก่อนเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือห า, หาความสุขให้กับเรา เราก็เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันทำให้เราทุกข์ได้สมาธิก็เป็นเหมือนกันพอเราเลือกใช้ร่างกายเรามาใช้สมาธิเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรามันก็จะทำให้เราทุกข์ได้อยู่ดีเพราะมันไม่เที่ยงเหมือนกันแม้แต่ความสุขกับเนินที่มีอยู่ในใจก็เช่นเดียวกันความสุขจากอารมณ์ต่างๆที่ดีพออารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมามันก็ทาให้เราทุกข์ได้เราต้องพิจารณาว่า จิตมันก็ยังเป็นมีอารมณ์ที่แปรปวนอยู่มีอารมณ์สุขบ้างอารมณ์ทุกข์บ้างไม่ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ดีบ้างพิจารณาไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากในใจได้จนหมดสิ้นไปโดยใช้แนวเดียวกับการพิจารณ า, า, าร่างกายพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาแล้วก็มาพิจารณาจิตเอง ในที่สุดเราก็จะละความอยากกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจได้หมดสิ้นไปพอใจไม่มีความอยากในสิ่งต่างๆความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปถึงแม้จะอยู่กับการแ ป, ปรปวนของร่างกายแ ป, ปรปวนของเวทนาแ ป, ปรปวนของจิตก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับการไม่แน่นอนของอาการต่างๆเหล่านี้ ซึ่งเป็นเรื่องของโลกสมมุติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพิจารณาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็จะสามารถละความอยากต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายให้หมดสิ้นไปได้ใจก็จะไม่มีความทุกข์เกิต่อไปใจก็ยังอยู่กับสิ่งที่มันแปรปวนได้เหมือนเดิมเพราะพุทธเจ้ากับพาาาระอรหันต์หลังจากที่ท่านละความอยากต่างๆทำใจของท่านไม่ให้ทุกข์กับอะไรได้แล้ว ท่านก็ยังอยู่กับร่างกายอยู่กับเวทนาอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายท่านก็ยังอยู่กับการแปรปรวนของอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของท่านท่านก็ยังอยู่กับสมาธิได้ท่าแต่เพียงแต่ท่านก็ไม่ยึดติดกับสมาธินั้ น, ท, นท่านเข้าใจธรรมชาติของมันรู้สัมผัสรับรู้แต่ไม่ยึดไม่ติดไม่ได้พึ่งพาอาศัยสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือดับความทุกข์อีกต่อไป พราะความทุกข์ในใจนี้ไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจแล้วด้วยการละความอยากต่างๆละความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือละความอยากที่จะใช้สมาธิเป็นเครื่องมือมาดับความทุกข์ใจต่างๆละความอยากในอารมณ์ดีๆต่างๆมาดับความไม่สบายใจในในเครื่องในใจอันนี้ท่านจะไม่ใช้ต่อไปท่านจะใช้การไม่มีความอยากเป็นเครื่องมือแทน พอไม่มีความอยากแล้วทุกในใจก็จะหมดสิ้นไปใจก็จะเย็นจะสบายไปถึงแม้ยังสัมผัสรับรู้กับเวทนาจิตธรรมอยู่ก็ตามถึงแม้จะสัมผัสรับรู้กับร่างกายเวทนากับจิตก็จะสัมผัสรับรู้แบบเฉยเฉยไม่มีความทุกข์ใจแต่อย่างใดสิ่งใดเกิดขึ้นก็ปล่อยเขาเกิดขึ้นไปสิ่งใดดับไปก็ปล่อยเขาดับไป ไม่ไดไม่ทุก์ไม่ร้อนไปกับสิ่งการเกิดการดับของสิ่งต่างๆนั่นเองนี่คือการการวิธีการดับทุกข์ที่เราจะต้องเรียนรู้จากผู้ที่รู้จริงๆก็มีพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกต่อจากนั้นก็มีพระสาวกพระหลานตสาวกทั้งหลายที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆได้หมดสิ้นไป แล้วก็นำมามาสอนพูนต่อพระสาวกก็จะทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากไปพระสาวกแต่ละแต่ละยุกก็จะเป็นผู้มาสั่งสอนพระสาวกนุ่นใหม่พระสาวกนุ่นให ม, รรใหม่เมื่อได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะสั่งสอนผู้ที่มาศึกษารุ่นใหม่ต่อไปเรื่อยๆาศาสนาพุทธเราจึงอยู่กันมาได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรายังมีการศึกษามีการปฏิบัติจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงก็คือ พ, พอระพระอรหันตสาวกหรือพระไตาปิโดกถาถ้าต้องเรียนจากพระไตาปิโดกนี้ก็อาจจะต้องมีความสามารถที่จะศึกษาและเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพราะการศึกษาอาจจะอาจจะ่านศึกษาแล้วอาจจะเข้าใจผิดก็ได้อาจจะไม่เข้าใจ ไม่เหมือนกับการที่ได้ศึกษาจากผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วเวลาไม่เข้าใจตรงไหนเวลาติดตรงไหนถ้าได้ได้สอบถามก็จะได้รู้ว่าทำผิดหรือทำถูกอย่างไรก็จะได้แก้ไขดัดแปลงไปได้ถ้าไม่รู้ถ้าไม่มีใครสอนถ้าสอนถ้าเรียนเองนี่ก็อาจจะติดอยู่เป็นเวลานานก็ได้ถึงแม้จะมีพระไตรปิฎกนี้ก็จะไม่ได้ ไม่ได้ยืนยันรับประกันว่าทุกคนที่ศึกษาจากพระไตรปิฎกโดยด้วยตัวของตนเองนี้จะสามารถบรรลุธรรมได้ทุกคนแต่ถ้าได้ศึกษาจากพระอรหันตสาวกนี้โอกาสที่จะบรรลุธรรมได้จะมีมากกว่าได้จะง่ายกว่าแต่ก็เช่นเดียวกันไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ได้ศึกษาจากพระอรหันตสาวกแล้วนี้จะบรรลุได้ทุกคน บางคนก็อาจจะบรรลุ ก, ก็ได้บางคนก็อาจจะไม่รู้บรรลุก็กกได้แม้แต่ในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันมีคนที่ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงที่บรรลุ ก, ก็มีที่ไม่บรรลุ ก, ก็มีมีคนเคยถามพระพุทธเจ้าทําไมถึงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกท่านก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านมีหน้าที่สอนคนเรียนก็มีหน้าที่มาเรียนและนำเอาไปปฏิบัติอยู่ที่เขาว่าเขาจะนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหรือไม่ แล้วปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่เท่านั้นเองคือเขาสามารถปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนได้หรือเปล่าถ้าเขาสามารถปฏิบัติครบหลักของการปฏิบัติปฏิบัติที่ดีปฏิบัติที่ตรงปฏิบัติเพื่อการดูดพ้นจากความทุกข์และปฏิบัติอย่างไม่ผิดพลาดปฏิบัติอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถบรรลุได้ผู้สอนก็เพียงแต่เป็นมีหน้าที่สอนอยู่ที่การบรรลุนั้นไม่บรรลุนี้อยู่ที่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติเป็นหลักอย่านั้นแต่ส่วนใหญ่ถ้าได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือจากพระหลานตสาคตโดยตรงนี้โอกาสที่จะได้หลุดพ้นนี้มีมากกว่าการที่จะได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกตามลําพังดังนั้นถ้าเรายังมีโอกาสที่จะได้พบกับ พระสุปฏิปันโนทั้งหลายเราก็ควรที่จะไปศึกษากับท่านแต่ก่อนจะไปเราอาจจะศึกษาจากพระไตรปิฎกไว้ข้าวๆก่อนไม่ต้องศึกษาทั้งทั้งทั้งหมดทั้งตู้หรอกศึกษาเพียงแต่อริยสัจสีกับมรร8ก็พอให้รู้ว่าพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไรบ้างมรรคแมีอะไรบ้างเช่นศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนานี้ถือว่าเป็นมรรคแป เราก็ไปดูว่าถ้าเราไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆท่านสอนแนวนี้หรือไม่หรือท่านสอนไปแนวอื่นเราก็จะได้รู้ว่าไม่ใช่ทางที่เราควรจะไปศึกษากับท่านก็ปไปศึกษากับผู้อื่นต่อ อ, อันนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาแนวทางของพระพุทธเจ้ามาก่อนเวลาเราไปศึกษากับพระอาจารย์รูปอื่นเราก็อาจจะไม่รู้ว่าท่านสอนแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าสอนหรือไม่ ท่านอาจจะสอนนอกลูก่นอกทางไปทางอื่นก็ได้ mm. บางท่านก็อาจจะสอนให้เราไปฝึกได้มีอิทธิฤทธิต่างๆให้มีตาทิพหูทิพให้ระลึกชาติได้ mm hmm. ให้ติดต่อกับกายทิพได้อะไรทํานองนี้เรื่องราวเหล่านี้มันก็มีอยู่ในการปฏิบัติแต่มันไม่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ mm. ถ้าไปเรียนเราไปเรียนวิชาต่างๆเหล่านี้ เราจะไม่สามารถอาวิชาต่างๆเหล่านี้มาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้พระพุทธเจ้าก็มีวิชาเหล่านี้แต่พระพุทธเจ้าไม่สอนพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องไตรลักเรื่องอริยสัจสีนท่านจะไม่สอนให้เราไปรับรึกชาติได้ให้เราไปให้เราไปติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้เพราะนี่ไม่ใช่เป็นทางที่จะนาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ แต่ท่านก็ไม่ห้ามสําหรับผู้ที่มีมีความสามารถที่จะเข้าถึงความสามารถเหล่านี้ได้เพียงแต่ว่าไม่ให้ไปติดไม่ให้ไปยุ่งกับมันถ้าเวลาปฏิบัติใจยังไม่พ้นจากความทุกนี้ไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องหรือไปยินดีกับอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเพราะมันไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจได้ ให้มาสนใจกับการฝึกสติทำสมาธิให้จิตนิ่งสงบเป็นอุเบกขาแล้วก็ให้ออกจากสมาธิมาเจริญทางปัญญาพิจารณาอริยสัจสีพิจารณาตายรักเพื่อที่จะละความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปให้ได้ก่อนเมื่อสามารถดุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็สามารถใช้อภิน ญ, ญานี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างพระพุทธเจ้า ก็ใช้อภิน ญ, ญานี้ติดต่อกับเทวดาเวลาสอนเทวดาก็ต้องใช้อภินยาคนที่ไม่มีอภินยาไม่มีความสามารถติดต่อกับเทวดาก็ไม่สามารถสั่งสอนเทวดาได้แต่พรพุทธเจ้ามีอภินยาท่านก็ใช้อภินยาคือการติดต่อกับเทวดานี้สั่งสอนเทวดาทุกคืนสั่งสอนแม่ให้ได้บรรลุเป็นพระโสดาวันขึ้นมา แม่ที่ตายไปตั้งแต่เจดวันหลังจากที่ทอดเจ้าชายสิทธัตถามาพระพุทธเจ้าหลังจากตัดสรตวแล้วก็สามารถติดต่อกับพุทธมารดาได้แล้วก็สอนพุทธมารดาให้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์ได้นีอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถเอามาใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการกําจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติเองถ้าไปยึดถ้าไปติดไปเล่นกับมันก็จะหลงทาง จะไปไม่ถึงเป้าหมายที่แท้จริงคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ปฏิบัติต้องต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้พอบ้างเป็นแนวทางเผื่อเวลาที่ไปศึกษากับพระอาจารย์รูปต่างๆก็อาจจะไปเจอแบบนี้บ้างก็มีสอนให้ไปเจริญทางด้านอภิญญากันแทนที่จะสอนให้ไปเจริญทางอุเบกขาทางปัญญากันก็ไปทางทางอภิญญา ก็อาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่ควรจะไปคือการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่ น, นี่คือเรื่องราวของการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องมีแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้องแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้องก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เรียนรู้จากพระธรรมก่อนพระธรรมที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไว้เป็นมาตรฐานให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร คือให้เรียนอยายะศัพท์สี่เรนมรรคแปเดเรียนวิธีเจริญสติจริญสมาธิเป็นต้นแค่นนี้ก็พอไม่จําเป็นจะต้องเรียนทั้งพระไตรปิฎกพอรู้แล้วว่านี่คือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็ไปเรียนกับพระอาจารย์รูปต่างๆได้ดูว่าท่านสอนตามแนวทางนี้หรือไม่ถ้าท่านไม่สอนเราก็รู้ว่าท่านไม่ได้พาเราไม่สามารถสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็จะได้เปลี่ยนไปหาพระอาจารย์รูปอื่นต่อไป เรื่องของความทุกข์การดับทุกข์ก็มีอยู่เท่านี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรอยัถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวามวะอิโตทินงังเปตานังอุ ป, ปกักปติยิชิตังปะิตังตุมหังกิปะเมวสมะสนิจจตต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะามณิโชติราโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะ พิวาธนสีิสานิจังวุฒาปจายโนตยัตตารธรมวาวะทานติอายุวันโอ ส, สุขังอาลาลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรสงสัยเรื่องอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ ถามได้ช่วงนี้ช่วงเดียวนะเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะต้องทํากิจกรรมอย่างอื่นต่องั้นใครอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ไม่อยากจะมาถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือมีก็ใช้ส่งข้อความเข้าขมาทาง youtube ทาง Facebook ได้อันนี้ก็สา ม, มารถทำได้ วันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา500 YouTube 255 YouTube ของดร V 94วิทยุออนไลน์9 Clubhouse 19หน้ากุฏิ110รวมทั้งหมด987ครับก็ถามได้เลยถ้ามีคําถามวันอรัม ได้เดี๋ยวเอาไมค์ก็ฟอนไปนะดได้ไหมจ๊ะได้การการเรียนผู้อาจารย์ครับพอดีผมเพิ่งเริ่ม เ, เ, พ, เมพิ่งเริ่มรักษาศีลครับแล้วก็เลยเกิดความรู้สึกเหมือนสงสัยขึ้นมาในใจตัวเองกับเรื่องบางเรื่องครับ อ, อย่างสมมุติเรื่องของของส ม, มุติมันมีตรงข้างบ้านคนระมีกำแพงแล้วก็มีกิ่งไม้จากฝั่งตรงข้ามเข้ามาในบ้าน ทีนี้เราก็จะไปตัดแต่เราก็เห็นมีมดมีอะไรตัวเล็กๆอยู่นะเราก็รู้สึกว่าไม่อยากตัดเพราะว่าไม่อยากไปไปเบียนเบียนเขาอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวแฟนผมก็ต้องมาตัดเพราะว่ามันมันเลี้ยเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องถูก เ, เบียนเบียนอยู่ดีะฮะแต่เราก็ไม่รู้สึกเหมือนเราติดอยู่ในใจว่าไอ้ท่าแบบนี้เราเราควรจะทําแบบไหนดีหรือว่าเรากําลังเมาอยู่ในกันอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าเรารักษายอยู่อะครับ ขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับคือถ้าเราเหลีกเลี่ยงการไปทําสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นได้ก็เลีกเลี่ยงอยู่กับมันไปตามธรรมชาติเขาอยู่ของเขาเราอยู่ของเราไปแต่ถ้าเขามาเบียดเบียนเรานี่เราก็อาจจะป้องกันไม่ให้เขามาเบียดเบียนได้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปทําให้เขาตายก็แล้วกันนะฮะบางทีก็ต้องมีการป้องกันตัวเราบ้าง แต่ป้องกันในลักษณะแบบที่ไม่ไปฆ่าเขาทําร้ายเขาแต่อาจจะป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับเราได้มันก็ต้องใช้เหตุใช้ผลไปแต่ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เมตตาก็ปล่อยเขาเขา อ, อยากจะขึ้นบ้านเขา อ, อยากจะกลัดนราเขาปล่อยเขาไปก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของ ภาวะของจิตใจของแต่ละคนว่าจะปล่อยวางได้มากน้อยเพียงไมแต่สีนี้มีไว้ก็เพื่อที่ไม่ให้เราไปมีปัญหามีเรื่องมีราวกับใครแล้วก็ไม่ให้เราไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่จะเอาเวลาที่สำคัญของการภาวนาไปเราต้องการมีภาวนามาปฏิบัติสติสมาธิปัญญาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ คำถามจากผู้รับฟังหนาคุติมี8คำถามครับคำถามที่หนึ่งชีวิตประกอบด้วยสองส่วนคือกายและจิตกายไม่ใช่ของเราจิตเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราสามารถสั่งและควบคุมจิตเลือกเกิดเองได้หรือไม่ครับเข้าใจถูกต้องไหมครับคือจิตก็ไม่ใช่เป็นของเราเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็สมมุติไปก่อนว่าเป็นของเราแต่จิตมันก็เป็นเหมือนร่างกายมันก็มีวิถีของมัน จิตมันก็มันก็มีความเป็นตัวของมันเองคือจิตนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดเพียงแต่ว่าเรานี้สามารถที่จะมาควบคุมความคิดได้ให้คิดให้คิดไปในทางที่ไม่เกิดปัญหาขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามาฝึกหัดกันเพราะตอนนี้ความคิดของเรานี้ถูกฝ่ายตรงกันข้ามคือฝ่ายกิเลสตัณหา เป็นผู้ดึงให้ไปคิดในการสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับเราเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ต้องดึงเอาความคิดที่คิดไปทางกิเลสนห้มาคิดในทางตรงกันข้ามกันคิดไม่โลภคิดไม่โกรธคิดไม่หลงคิดไม่อยากได้อะไรต่างๆซึ่งเราต้องใช้สติและปัญญาเป็นเครื่องมือ ถ้าเราสติไม่มีสติไม่มีปัญญาเราจะไม่มีกำลังที่จะดึงความคิดมาคิดในทางที่จะทําให้ไม่เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาคำถามที่สองเราจะมีวิธีประพฤติปฏิบัติทำอย่างไรเพื่อให้ชาติหน้าเกิดในตระกูลที่เป็นสมถติครับอันนี้เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ตรงนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ตั้งเป้าหมายไปชชาติหน้า ให้ตั้งอยู่ที่ชาตินี้ให้เป็นชาติสุดท้ายเ้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องชาติหน้าเพราะชาติหน้านี้มันเป็นเรื่องที่มันไกลแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปกาหนดได้แต่สิ่งที่เรากาหนดได้คือเรื่องการไม่ไปเกิดในชาติหน้าได้เน้นเราทาตรงนี้ดีกว่าไปเกิดชาติหน้ามันก็ยังต้องไปเจอปัญหาเจอความทุกข์ต่างๆถึงแม้จะไปเกิดกับครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิก็ตาม ทำอย่าให้ไปเกิดเลยดีกว่าเอาเมื่อไปก็ไม่ไปเกิดแล้วทุกข์ก็ยังไม่มีอีกต่อไปคำถามที่สเรื่องอนัตตาการไม่มีตัวตนบังคับไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ได้แต่ถ้าเราสั่งตัวเองให้ยกมือขวามือซ้ายได้และบอกให้ตัวเองรักษาศีลทำความดีได้ตกลงว่าใช้ตั ว, ใ ช, ตวใช่ตนของเราหรือไม่อย่างไรครับ เพื่อมันสั่งได้บางเวลาไงต่อไปเวลามันเป็นธรามเพริศกรรมภาสก็สั่งมันไม่ได้อยู่ดีหรือมันมันมันแก่มันไม่มีเลี้ยวไม่มีลายก็สั่งมันไม่ได้นั้นบางทีก็สั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สั่งไม่ได้เลยตอนนี้สั่งได้แต่ต่อไปมันจะสั่งไม่ได้ มีข้อสงสัยต่อไปว่าถ้าไม่ใช่ตัวตนแล้วเราประพฤติปฏิบัติธรรมให้กับใครครับปฏิบัติให้กับใจนะใจตอนนี้มันมีความทุกข์แล้วเราก็ต้องการดับความทุกข์ในใจเพราะว่าความทุกข์ใจมันสะเทือนมากับมันทำให้ใจไม่มีความสุขนั่นเองคำถามที่ห้า คนที่ตายแล้วฟื้นกลับมาบอกเล่าว่าเห็นนรกน่ากลัวนรกมีจริงหรือไม่ครับนรกก็คือความรู้สึกในใจเรานี่เองที่เราสัมผัสผ่านอาจจะเกิดเหตุการณ์ทางภายในจิตใจเช่นตอนที่เรานอนหลับแล้วเราไปฝันไม่ดีฝันถึงเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆก็ก็เป็นนรกขึ้นมา นรกมันอยู่ในใจเกิดจากความวันความคิดปรุงแต่งของใจเองใจคิดปรุงแต่งไปทางนรกคร อ, อบาพาะบาปที่ทำไว้พาให้คิดไปทางนั้นถ้าทำบุญใจก็จะคิดไปทางสวรรค์คำถามที่หเป้าหมายของพระพุทธศาสนาคือให้ละชั่วทำความดีทำจิตให้ผ่องใสขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าการทำจิตให้ผ่องใสหมายถึงต้องทาอย่างไรครับ ก็กำจัด ก, กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองของจิตใจขึ้นมาคำถามที่เจ็ดก่อนที่เราจะหมดลมหายใจหากเรามีสติควรคิดถึงสิ่งใดเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่อไม่ให้ไปอบายครับไม่คิดอะไรเลยดีที่สุดทำใจให้นิ่งให้สงบปล่อยให้ร่างกายมันไป มันตายไปตามธรรมชาติของมันให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าตอนนี้มียังมีลมหรือไม่มีลมไม่มีก็รู้ว่าไม่มีลมให้รู้เฉยๆดีที่สุดไม่ต้องคิดอะไรคำถามสุดท้ายข้อที่แปดเมื่อเวลาเราไปกราบพระพุทธรูปตามวัดวาอารามต่างๆเราควรอธิษฐานจิตอย่างไรครับคำอธิษฐานนี้มันมีสองความหมาย ความหมายที่แท้จริงนั่นคือการตั้งเจตนาของเราว่าเราจะทำอะไรเรียกว่าทิฐานแต่ทางอีกความหมายหนึ่งเป็นการขอขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ได้สิ่งนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นหลักคาสอนของในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาให้ตั้งจิตกำหนดจิตว่าจะทำอะไรที่จะพาให้เรา ได้ไปหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นคือเจตนานั่นคืออธิษฐานทางศาสนาพุทธคืออธิษฐานให้จิตเรานี่สนใจกับการศึกษาปฏิบัติธรรมตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นคำถามจากคุณบารมีเมื่อภาวนา เจอความว่างเป็นความสว่างเบาสบายพอภาวนาต่อรู้สึกเหมือนมีอะไรมาดีดความว่างนั้นออกจากหน้าอกสภาวะณนะตอนนั้นเหมือนมีแสงสว่างเล็กๆหายออกจากหัวอกชีวิตณนะตอนนี้เป็นสักแต่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์ผมควรรักษาตัวรักษาใจและปฏิบัติต่ออย่างไรครับควรจะอยู่กับการภาวนานะ ถ้าดูลมก็ควรดูลมต่อถ้าพุโทโธก็ควรพุโทโธต่อไม่ควรที่ไปสนใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เราฝึกสมาธิทำสมาธิถ้าไปสนใจแล้วเราก็จะออกนอกลกูนอกทางไปจะไม่ไปสู่ความสงบสู่ความว่างที่แท้จริงต่อไปคำถามจากคุณกเกษมดูจิตสามารถปรรลุธรรมได้ไหมครับ ก็ต้องผ่านการดูกายดูเวทนาก่อนถึงจะไปดูจิตได้คือการดูไม่ใช่ให้ดูเฉยๆดูเพื่อละละการอุปทานความยึดติดในร่างกายยึดติดในในเวทนาแล้วถึงค่อยไปดูจิตเพื่อละการยึดติดในธรรมอารมณ์ต่างๆคำถามจะคุณอรุณ ก่อนที่เราจะสวดมนต์ไหว้พระจะชอบม่วงนอนตลอดเรามีวิธีแก้ไขอย่างไรครับลุกขึ้นมาเดินสวดแทนก็ได้ถ้านั่งแล้วมันง่วงก็เดินสวดก็ได้เดินสวดไปภายในใจคำถามจากผู้ฝากถาม ผมนั่งสมาธิได้สักพักความรู้สึกเหมือนเวลามันท่วงทวงเหมือนเวลาผ่านไปนานแล้วครับพอลืมตาขึ้นเพิ่งผ่านไปแค่30นาทีเองมันคืออาการของจิตใช่ไหมครับต้องทำอย่างไรต่อไปครับเราไม่มีสติอยู่กับการภาวนาเนัน่เราต้องมีสติอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือดูลม ห, ห, ห, หายใจไปไม่สนใจกับความรู้สึกนึกคิด ต, ต่าง แล้วมันก็จะไม่รู้ว่าสั้นรู้ว่านานหรือไม่นานคำถามจากคุณจิรารัตภาวนาบริกรรมพุโทโธทำอย่างไรไม่ให้เพ่งเกินไปหรือหย่อนเกินไปปล่อยความคิดเข้ามารบกวนตลอดเวลาความพอดีอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ความสบายของเราภาวนาแบบสบายพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป ถ้าสบายแบบไหนก็พูดโทแบบนั้นไปคำถามจากคุณโสพิตาเวลาถอนออกจากสมาธิแล้วรู้สึกเหนื่อยมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็แสดงว่าจิตยังไม่สงบมันก็ต้องเหนื่อยเพราะเป็นเหมือนกับการต่อสู้กับความอยากต่างๆเวลานั่งสมาธิถ้าสติเรามีกำลังน้อยนี่มันเหมือนกับคู่ต่อสู้เขามีกาลังมากกว่าเรามันก็จะทาให้เรารู้สึกเหนื่อย เราต้องพยายามฝึกสติสร้างสติให้มีมากขึ้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิคำถามจากคุณกุหลาบทานคือการให้ศีลคือการรักษาภาวนาคือการปฏิบัติผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับแล้วเราต้องลงมือทาใช่ไหมครับจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจใช่ คำถามต่อไปจากคุณจินตนาตอนนี้แม่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลทำบุญวิธีไหนแม่ถึงจะได้บุญครับทุกวันนี้เวลาทำบุญใส่บาตรจะเ อ, อ่ยชื่อแม่ทำบุญด้วยไม่ทราบว่าจะได้บุญหรือไม่ครับไม่ได้หรอกแม่ต้องทำเองแม่ต้องสั่งบอกว่าเอาเงินของแม่นี้ไปใส่บาตรให้แม่หน่อยนะถ้าอย่างนี้ก็จะได้บุญแต่ถ้าแม่ไม่สั่งไม่ได้เป็นเงินของแม่ เราเป็นเงินของเราเราทำเองโดยที่แม่ไม่รู้เรื่องหรือรู้ก็เพียงแต่เพียงรับรู้ว่าเราไปทาไม่ได้ออกจากเจตนาของท่านก็จะไม่ได้บุญหมดแล้วเหรอคาถามจะคุณอะตอมเพิ่งปฏิบัติธรรมและชอบที่จะฝึกปฏิบัติอยากทราบว่าการที่ต้องเปลี่ยนวัดปฏิบัติบ่บอยๆเป็นบาปหรือเป็นกิเลสและจะไม่บุญที่บวชไหมครับ ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลของการเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการที่ปฏิบัติที่ดีขึ้นที่ทำให้เราปฏิบัติได้ผลมากขึ้นการเปลี่ยนแบบนี้ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เสียหายตรงไห น, นเป็นการปฏิบัติที่ถูกเพราะถ้าเราไปปฏิบัติที่ที่มันอาจจะมีอุปสรรคมีอะไรรบกวนทำให้การปฏิบัติยากหรือปฏิบัติไม่คืบหน้าก็ต้องเปลี่ยนหาวัดที่ ปฏิบัติแล้วส ป, ปายะเขาเรียกว่าส ป, ปายะคือเอื้อต่อการปฏิบัติถ้าไม่เอื้อมันก็จะทาให้รู้สึกปฏิบัติแล้วไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลเท่าไหร่น่า จ, จะเปลี่ยนแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนเพราะอยากจะไปเหมือนไปท่องเที่ยวเที่ยววันนี้แล้วก็ไปเที่ยววันนั้นต่อแล้วจากวันนี้ก็ไปวันนู้นต่ออันนี้ก็ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแบบกิเลสมากกว่าเป็นการไปท่องเที่ยว คำถามจากคุณมีนาคนที่หลอกลวงคนอื่นจะไปเกิดในอบายไหมครับเกิดก็ทำบาปในการโกหกมันก็ต้องไปเกิดในอบายหมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามอะไรไหมยังถามได้นะราไม่คิดลักไม่คิดสตางคําถามไม่คิดาง ถ้าสงสัยอะไรไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้เพราะบางทีฟังธรรมะแล้วอาจจะเกิดความเข้าใจผิดก็ได้เพราะธรรมะนี่มันมันมีมันมีหลายมิติหลายมุมมองด้วยกันบางทีเราคิดไปทางหนึ่งฟังแล้วอาจจะสับสนได้ของกาครับอาจารย์อยากถามว่า อย่างตัวผมเนี่ยเป็นไบพอล่าเนะครับเราจะมีวิธีที่จะระงับอาการของซึมเศร้ากับเวลาอาการมโมโหได้อย่างไงครับต้องใช้ธรรมข้อไหนครับก็ใช้สติเนี่ยเป็นหลักเริ่มต้นพยายามฝึกสติถ้าเราควบคุมสติได้อาการต่างๆมันก็จะไม่เกิดเพราะสตินี้จะทำใจให้สงบให้หยุดความคิดตุงแต่เหมืงกัน ทวามคิดปรุงแต่งของเราเนี่ยเป็นตัวที่ผลิตความรู้สึกต่า ง, างๆขึ้นมาสุขบ้างทุกบ้างเครียดบ้างอะไรบ้างอครับดังนันต้องใช้สติหยุดความคิดให้ได้เช่นการจเจริญพุทธโธไปทั้งวันพุทธโธพุทธโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดถ้ามันหยุดคิดแล้วก็หยุดพุทธโธได้พอมันเริ่มคิดใหม่แล้วก็พุทธโธพุทธโธมาสลับกับการนั่งสมาธิด้วย มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็พยายามนั่งสมาธิให้มากๆเพราะการนั่งสมาธิจะทําให้ใจนิ่งสงบมีความสุขครับแต่เวลานั่งชอบฟู้งซ่านนะพระอาจารย์ก็คือพุโทโธรัวๆไปได้เลยใช่ไหมครับได้ได้เพราะเราไม่ได้เราไม่ได้เจริญพุโทโธมาก่อนเนี่ยอ่าครับถ้าเราฝึกทบพุโทโธมาก่อนเวลานั่งมันจะไม่ฟุ้งซ่านมันจะสงบได้เร็วแต่ใช้พุโทโธสลับกับการส่วนบทอะไรสั้นๆไปก็ได้ อิติปิโสบ้างก็ได้อะไรของเราเนี้แต่อย่าปล่อยให้ใจคิดนต้องให้มันทํางานให้มันทํางานพุทโธหรือส่วนอิติปิโสไปส่วนปฏิโมกก็ได้เช่นถ้าเราอยากจะอ่าครับอย่างนี้มันก็จะทําให้ใจไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่จะทําให้เราเกิดรู้สึกอาการไม่สบายเครียดขึ้นมาได้อืครับผมนะขอไก่ขอ้อครับพันธุตอนนี้โยมพ่อเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับ เราจะมีธรรมะข้อไหนที่แบบอธิบายให้เขาแบบกิจสุดท้ายเนี่ยไปสบายได้ม้างไหมครับก็เรื่องธรรมดาในร่างกายของทุกคนตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพวกเรานี้ก็เหมือนกันหมดต้องแก่เจ็บตายด้วยกันใจขอยงใระพุทธเจ้าไปอย่างสงบเพราะใจท่านไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายท่านปล่อยอืปล่อยให้มันตายไปห้ามมันไม่ได้ครับวิธีที่จะปล่อยก็ต้องใช้พุทโธพุทโธหยุด ถ้าเราไม่ใช้พุตโธใจมันก็จะยึดมันก็จะยึดจะติดจะอยากให้ไม่ตายครับทวายาฝึกทำใจให้สงบแล้วก็ปลงต้องตายแต่ไอ้ที่ตายไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายคิดอย่างนีนครับอยู่ที่ไหนเนะี่ยอยู่ที่นี่ครับวันนีนนไปเรียนอยู่วัดเขาครับรอาจารย์โอเคอนน มีคำถา ม, มยังหมมีครับถามได้คำถามจากคุณสุกัญญาเวลาที่นั่งสวดมนต์จะรู้สึกเป็นเย็นเยือกเหมือนขนลุกเป็นระยะระยะพอหันมานั่งสมาธิจิตฟุ้งมากครับต้องทำอย่างไรดีครับเพราะว่าตอนนั่งสมาธิเราไม่มีสติหยุดความฟุ้งมันก็เลยฟุ้งขึ้นมา เวลานั่งสมาธินี้ก็สวดมนต์ต่อไปได้ถ้าสวดมนต์ลแล้วทําให้ใจเราเย็นสงบก็สวดไปถ้ามันฟุ้งก็ใช้การสวดมนต์รงับความฟุ้งได้พอ ถ, ถ้าเราดูลมเยอยเฉอาะ จ, จะกัสติมีกําลังไม่พอมันก็อาจจะทําให้ใจฟุ้งขึ้นได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปต่อ คำถามจะคุณน้ำฝนทางภาคอีสานมีประเพณีบุญข้าวประดับดินที่ต้องเอาข้าวปลาอาหารไปให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วสอบถามพระอาจารย์ครับว่าญาติที่ล่วงลับไปแล้วจะได้มารับเอาบุญเอาข้าวปลาอาหารหรือไม่ครับไม่ได้หรอกคนตายไปนี้ไม่มีร่างกายแล้วไม่กินข้าวนะกินบุญถ้าอยากจะให้เขาได้บุญก็เอาข้าวปลานี้ไปทําบุญทําทาน แปลงเปลี่ยนให้เป็นบุญแล้วก็อุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้คําถามจากคุณอังคณาการท่องพุทโธพุทโธคือพุทโธโดยไม่ต้องหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธถูกต้องหรือไม่ครับก็หลายมีทําได้หลายวิธีด้วยกันพุทโธอย่างเดียวก็ได้พุทเข้าโทออกก็ได้หรือดูลมอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จะถนัดชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นได้ คำถามจากคุณนิรันการภาวนาพุทโธแต่จิตมุ่งไปว่าอยากจะสงบอยากได้สมาธิต้องแก้ไขอย่างไรครับก็ให้อยู่กับพุทธโธเดี๋ยวพุทธโธก็จะพาไปสู่ความสงบเองอย่าไปคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นให้คิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณจิรารัต การที่ตัวเราเองยังสนใจภาวนาอยู่ดังนั้นการเชื่อว่าปัจจุบันยังมีพระอริยสงฆ์ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงอรหัตตะผลความเชื่อเช่นนี้ถูกต้องใช่ไหมครับก็แล้วแต่ความจริงว่ามันมีหรือเปล่าเชื่อได้ถ้าเราอยากจะพิสูจน์ก็ต้องไปค้นหาดูไปหาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูแล้วก็ไปสอบถามคนที่ใกล้ชิดกับพระเหล่านั้นดู ก็พอที่จะได้รู้ข่าวว่ามียังมีอยู่หรือไม่มีอยู่คำถามจากคุณวีนาหลังจากนี้จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอีกไหมครับออมีมาเรื่อยๆแต่ระยะเวลาห่างกันมากเป็นกับเป็นกันคำว่ากับนี่ก็เป็นเหมือนกับเข็นเลขหนุ่ตามด้วยเลขศูนไม่รู้กี่ล้านตัวต่อปีนะอย่างเป็นเวลาที่ยาวนานมาก แา่จะมีมีมาเรื่อยๆพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตและทั้งในอนาคตเพราะการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี่ยากมากคำถามฉะคุณนรงชัยวิชิกิจฉาความลังเลสงสัยในสัญญาณสามหมายถึงเฉพาะความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่หรือไม่ครับไม่รวมความสงสัยเรื่องอื่นๆใช่ไหมครับใช่เรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลัก หมดแล้วนะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็จะให้กลับบ้านกันนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟ um ังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอด